พระธรรมเทศนาแผ่นที่53าลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่าหาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28มีนาคม2556มีชื่อเรื่องว่าเรียนรู้ตามครูตามอาจารย์ ถ้าไม่ปิดไว้ข้างในมแมลงมันมารบกวนพวกเราขณะที่นั่งภาวนาเพรามันดูออกไปอยู่ข้างนอกถ้าพอแสงสว่างลำไรลลำไรพอดีแสงจ้าจริงๆกองภาวนายังไงแสงมันเข้าตาเ <c oughs> <c oughs> พราะหลวงพ่อหลวงพ่อมีคนป่าคนรงนะชอบที่เมิดเมิดมิดมิดเน่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 เปลี่ยนมือกันได้อย่างที่หลวงตามหาปู่ท่านก่อนที่ท่านจะจุตินิรภัยท่านบอกว่าลูกศิษย์อาจารย์หมู่พกเพื่อนทําแทนมือกันได้ไม่ควรจะถือว่าเรื่องนั้นหนักนี้เบาอันไหนควรไม่ควรอย่างไรควรจะทํางานด้วยกันแบ่งเบากันได้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 แนะนำสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์หนังสือเล่มไหนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีทาเลขิตพวกเราผู้อยู่บิ่งใน้างไหนอ่านแล้วมีประโยชน์เราก็ควรจะแนะนำให้พวกน้องๆที่เข้ามาใหม่พอน้องๆเขามาใหม่เนี่ยเหมือนกับเดินเข้าป่าตรงพงไพไปทางไหนจึงจะถูกต้องแต่เราเป็นรุ่นพี่ เราก็ควรจะรู้จักทางหนีทีไรไ้ไปทางไหนไปทางไหนที่จะไปจุดทุระอะไรมีกิจทุระอะไรไปทามาหาเลี้ยงชีพยังไงพวกเรารู้จักทางเราก็ควรแนะนาพวกน้องๆไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้เขาหาหนทางเอาเองสเปสสปะกว่าจะรู้ได้นังสือเล่มไหนที่เกิดประโยชน์นังสือเล่มไหนที่ให้โทษอย่างไรเรารุ่นพี่ก็ต้องแนะนาบอกกล่าว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 กล้าสามารถทุกวิชาอาชีพไม่ใช่บางเสียงบางอย่างเราก็โง่ไม่ใช่โง่ธรรมราโงา่แสนโง่อีกต่างหากเราก็ต้องดูเขาวิธีการทาทำเขาทำอย่างไรอย่างเี่พวกเราทำอาหารอย่างนี้แต่ทั้งที่เรากินทุกวันแต่วิธีการทำเขาทำอย่างไรเราไม่รู้มิแต่เราเห็นอยู่ในจาน แต่ไปศึกษาดยใช้วิธีการทำเขาทำอย่างไงก่อนที่มาถึงจานให้เราได้ทานนี่แหละมันมีวิธีกรรมมากหลากหลายเหมือนกันวันในสิ่งเหล่านี้อย่าเราเราอยู่พวกเราท่านทั้งหลายไปนักสถานที่ใดอย่าไปาพยองพองตนอวดว่าเฉลียวฉลาดทุกสิงทุกอย่างคนที่อวดชอบอวดว่าเฉลียวฉลาดนั่นแหะคนโง่สมัตโง่ามากหลากหลายทีเดียว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 นำมาแล้วแต่ผู้นำต้องเอาเข้าให้เอาเข้าในหลักเหตุผลเอาเข้าในกาลเทศะบุคคลอันนี้ก็เป็นแนวความคิดเป็นผู้นำอย่างนี้ก็เป็นอัจฉริยะเหมือนกันนะนะไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็สื่อบือ้อขวางเขาไปหมดมันก็ไม่ได้อกีกแต่ถึงยังไงก็ต้องยึดหลักธรรมวินยัยเป็นหลักแล้วจะเดินบริวาร เดินไปยังไงในยุคนี้สมัยนี้สิ่งเหล่านี้มันก็เราก็ต้องไนมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินอย่างไรเหมือนกันวัวจ่าฝูงนะท่านวัวจ่าฝูงที่โง่เห็นเห็นว่าน้ำล้วก็โดดตะลุยลงไปเลยที่น้ำที่มันเชี่ยวไหลากากผลในสุดวัวบัวที่ติดตามฝูง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 ทางลงเทงนี้ก็ไม่ชันอีกมีทางอีกมันก็ต้องรู้จักวิธีปัวฝูงนั่นก็ตลอดปลอดภัยเพราะจ่าฝูงที่มีความรอบคอบจ่าฝูงที่ฉลาดถ้าจ่าฝูงโง่แล้วก็นั่นหละไปที่ไหนก็เหมือนเกาล้วน้ำนะพอกระโดดขึ้นไปไหวไปไ ป, ไปถือทางน้นทางฟังขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เลย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 แต่ทำไม่ได้แล้วก็นิสัยบา ร, รมีของแต่ละคนไม่เหมือนกันจะไปพูดอย่างกันทำอ ย, อย่างนั้นได้ยังไงแล้วก็ต้องพยายามดูแนวแถวของเราเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถึงยังไงก็ต้องทำต้องฝืนที่ท่านว่าฝืนให้สู้กับกิเลสอย่างนี้เราจะไปทำแบบโยโย่แยะๆก็ไม่ได้เราต้องฝืน ปวดบางคนก็บอกว่าผมนั่งภาวนาแล้วมันปวดเราจะไปพูดอย่างนั้นทีเดียวก็ไม่ได้ทําไมก่อนเรานั่งอย่างอื่นเรายังปวดเราก็ยังทนไหวแต่บอนั่งภาวนาจะไม่ให้ปวดอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะธาตุขันร่างกายมันก็มันมีอยู่แล้วแต่เราต้องฝืนเพื่อนั่งภาวนาเพื่อต้องการสิ่งที่มันดีกว่าเหนือกว่า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 แยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากออกจากความรู้แยกเวทนาออกจากความรู้สึกแยกความรู้สึกออกจากเวทนาแยกความรู้สึกออกจากกายแยกออกจากกายออกจากความรู้สึกความรู้สึกตรงนั้นก็คืออะไรคือคือใจความรู้สึกนึกคิดคือใจเราก็พยายามออกดู ออกมาเวลามันเจ็บปวดเราออกไปอยู่ข้างนอกเหมือนกับมายืนอยู่ข้างๆถ้าเราจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนก็เหมือนกับรถเนี่ย เ, เวลารถมันไฟไหม้หรือมันมีไฟมีกลิน่นมีไฟมีอะไรอยู่ในรถนซูเปอร์จะไปอยู่ในนั้นได้ยังไงซเอร์ออกมายืนอยู่ข้างนอกยืนอยู่ข้างหน้ามันดูมันเป็นยังไง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 เขาใจออกมายืนอยู่ข้างนอกดูที่มันปูดร่างกายมันปวดมันปวดยังไงนี่แหละวิธีการอย่างนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแต่ในหลักธรรมวินัยจริงๆแล้วในหลักธรรมจริงๆนะพระตรจริงๆท่านก็มาได้สอนรายละเอียดถึงขนาดนี้แต่ถ้าว่าผู้ปฏิบัติแล้วครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้เราคนนํามาแยกดูซิทดลองดูเนี่ยถ้าเราทดลองได้อย่างนี้ นี่แหละต่อไปภายภาคหน้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วว่ามีเวทนาก้าในช่วงที่มันเกิดขึ้นมันต้องมีในช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้เรียนรู้เลยเนี่ยอ อ, ออกปุ๊บออกมากาหนดเลยดูเลยกายกับใจเลยเราก็ดูใจอย่างเดียวเลยแล้วก็ดูกายเลยเมันจะแตกมันจะไปยังไงดูสิแล้วก็ย้อนมาหาใจอีกใจเรา มีทุกข์มีร้อนกับมันไหมร่างกายเนี่ยนี่แหละอันนี้เมื่อเมื่อเราได้เรียนรู้จุดนี้นะแยกกายออกจา ก, กจิตแยกจิตออกจากกายตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยท่านี่เยอย่างที่โยมวันนี้ที่เขามาโอ้วันเกือบฉันเกือบตายท่านอาจารย์น่อยทำไมน้ำลายฟูมปากไปแพ้ยาสมุนไพรตัวหนึ่งดูดูแล้วมันบิ้ว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 ปล่อยวางที่ใจเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจออทางว่าใจของเรารวมสงบลงในจุดนั้นปล่อยเวทนาแต่จิตใจของเราเข้าขูสู่ความสงบ เ, ออเพราะเราภาวนา เ, นเราเคยฝึกมาแล้วจิตใจของเราเนื่งสงบลงไปเมื่อเกิดยานาทัศนะเกิดฌานขึ้นมา น, นั่นแหละพรมแลแ้วทีนีเออ้เป็นหนทางไปคนภาวนาเนี่ยลือสีสีไพรท่านมาได้ว่าไปสวรรค์นะให้ศึกษาในพระตไตรปิฎกสิ พวกที่ภาวนาอยู่ในป่ารงพงไฟไปพรหมทางนั้นไปเกิดอยู่ชั้นพรหมเพราะเห็นแะเพราะภาวนาดูจิตดูใจเกิดญาณรัศนะปล่อยวางร่างกายไม่ยึดมั่นถือมันในร่างกายท่านภาวนาจิตจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจสงบเกิดญาณรัศนะเกิดฌานโดยมากฤษีจะไปพรหมทางนั้นแต่พวกที่ทําบุญทําทาน ทาคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเป็นราชามหากษัิย์มีโรงทานมีการทําบุญโดยมากจะไปสู่สวรรค์โดยที่เราได้นั่นมีพรมีพระราชาคนนั้นได้ทําบุญทําทานมากไปสู่พรมไม่มีมีแต่ไปสู่สวรรค์ยาตุมดาวดึงยามาตุสิตาสวรรค์คือเป็นโลกียะส่วนหนึ่ง แต่ถ้าว่าเป็นฤาษีสีภัยอยู่ในป่าบำเพ็ญแล้วนั่นจะไปสู่พรมอันนี้เหมือนกันนะพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งภาวนาเนี่ยเราฝึกวิชาที่จะไปเป็นพรมที่จะเข้าสู่ความสงบปีติสุกเอกาตานมันเป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นแต่ถ้าเราบำเพ็ญ ต, ตามธรรมดานี่จิตใจของเราไม่เคยภาวนาพอมีอะไรเกิดขึ้นเราก็น้อมำรำลึกถึงอั น, นิห้สงทานอั น, นิห้สงศินอันให้สงภาวนาอั น, นิห้สงการปฏิบัติอันใ ส, สงการสงเคราะห์อนุเคราะห์พ่อแม่พี่พี่น้องปู่ย่าตายายการอ่อนน้อมถ่อมตนเราเป็นคนดีเราไม่ได้คิดผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆเรามีแต่ทาบุญทําทานมีการเสียสละอย่างนี้ พวกนี้ตายขณะที่คิดอย่างนั้นไปสู่สวรรค์แต่ถ้าว่าเราตายขึ้นมามีอารมณ์โกรธโมโหโกรธาถึงจะมีอันที่สงฆ์ทําบุญทําทานาก็จริงอยูอ่ทําคุณงามความดีก็จริงอยู่แต่ที่ใจจะขาดที่ใจจะขาดคิดโมโหโกรธให้กับคนนั้นคนนี้ผูกพยาบาทอาฆาตทําไมไม่ ดูแลทำไมไม่รักษาเราเราหาเงินทุนมันหวงไว้ทำไมเงินฮะโกรธพยาบาทอาฆาตให้เขานั่นะใจขาดในช่วงนั้นอะไปละน่ฮะไม่ตกนรกเขาไปเกิดเป็นสัตติธัชานอย่างพระเจ้าธรรมโสกราชสร้างทาวรวัตถุไว้จังแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันในแปดหมื่นสี่พันอย่างมไว้ในเมืองพระพุทธเจ้าพระนิพพานถึงสารอปี แล้วก็ลูกชายก็เป็นพระมหินเป็นพระรหารลูกสาวก็เป็นสังนางภิกุนีซิวสังคมิตาลูกก็เป็นพระรหารด้วยแต่ตัวเองก็ทําบุญทําทานอย่างมากมาก <Okay. S 1> แต่พอที่จวนจะสวรรคตรเนี่ยอยากจะทําบุญอีกเพรคนเคยเคยทาบุญก็สั่งลูกน้องบริวารพวกอามาต์ราชเสวกมาเอ้ย เงินในท้องพระครังของเรายังมีอยู่นะเป็นของเรานะเอแต่คลังหลวงอีกอย่างหนึง่งแต่ของเรามีอยู่เอาจำนวนที่ของเราเนะี่ยทำบุญให้หมดนะเงินในท้องพระคลังที่ของเราลูกน้องเขาก็เห็นแล้วอายุพระเจ้าแผ่นดินเะนี่ยคงไม่ยืนเขาก็ทำท่าเฉยหูทวนลมเนละไม่ได้ยินนะอก็เรียกมาอีกมาอีกเขาก็หูทวนลมอีกเฉยอีก แต่นี่พระราชากโมโหวควันออกหูลเลยท่านนี่เพราะว่า เ, เงินคับทรัพย์สมบัติของตนแท้ๆเนี่ยพวกนี้ไม่ปฏิบัติตามไม่ใช่เงินคลังหลวงเป็นเงินส่วนพระองค์ฮรับกโมโหขึ้นมาอย่างมากทลยท่านเลยคงจะช็อกเรื่ออะไรก็ไม่รู้แหละเลยสวรรคตในช่วงนั้นอพอสวรรคตเสร็จแล้วนัะตายหรือมรณะนะภาพด้วยสวรรคตในขณะที่อารมณ์โกรธนะไปเกิดเป็นงูใหญ่ อยู่ในกลางรงป่าดงตัวนะเป็นงูเกิดขึ้นมาเป็นงูงูใหญ่เพรงูเนี่ยพวกที่การอารมณ์ที่โกรธตายไปแล้วเดี๋ยวไปเกิดเป็นงูนะเป็นเสือบ้างเป็นหมีบ้างเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเน่ยเป็นต่อเป็นแตนน่ยคงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นกำมังนะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายสรุปแล้วคือตายด้วยความโกรธเนี่ยจากนั้นท่านก็ไปเป็นงู เป็นงูกระหากินกบกินเขียดตามภาษามันหิวเลยเออมันหิวก็ต้องกินอาหารปางอย่างที่มันกินได้มันจะไปหาไฟเทียนมัหุงมาต้มล่ะแตทั้งที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีอเนกประสงมากถึงขนาดนั้นล่ะแต่พอตายเข้าไปเลยจะไปเกิดเป็นงูฮะจากนั้นข้าไม่หินท่านก็ดูที่ท่านมีญาณทัศน ะ, ะเป็นพระทหารด้วยท่านก็ดูเอ๊ะพ่อของเราไปหไหนไหนะ่ะ ขึ้นไปดูสวรรค์ชั้นไหนก็นแล้วไปดูที่ไหนก็นแล้วไปดูทังลกก็แล้วเข้าชาอูตายพ่อไปเกิดเป็นงูฮะจากนั้นท่านไปเทศให้พ่อฟังไปก็ไปยืนบนอากาศไปเห็นพ่อกําลังหากินอยู่เป็นงูใหญ่พ่อตองก ร, รู้ไหมพ่อเป็นเนี่พยพญาธรรมโศกทําไมาพ่อมาเกิดอย่างนี้พ่อพ่อตายเพราะความโกรธ ความโกรธไม่ดีนะพ่อนะอยากใช้ความโกรธนี่แหละเกิดโกรธมาทำไมาเกิดเป็นสวยวิบากกรรมอย่างนี้แหละในขณะที่โกรธไม่ดีเพราะฉะนั้นพ่อตั้งแต่วันนี้นะเป็นปีนี้เป็นต้นไปพ่ออย่าไปกินสัตว์ที่มีชีวิตนะสัตว์ที่มีชีวิตจะเป็นสัตว์กบเกล็ดอะไรก็ตามถ้ามีชีวิตอย่ากินเขาให้รักษาสินห่านะพ่อ จากนั้นก็พอพูดพ่อก็ฟังพอภาษาใจสอนใจให้เอาใจสอนใจงูก็ฟังฟังก็เข้าใจเข้าใจก็ไม่กินอาหารที่เป็นที่สัตว์ที่มีชีวิตอะไรพยายามจะกินอาหารพวกกบที่เกลียดที่มันตายแล้วนะมันจะหาได้ที่ไหนผลในสุดงูตัวนั้นก็เลยพร้อมลงพร้อมลยก็เลยตายตายเขานี่ตา ย, ตา ย, ตายสํานึก บุญกุศลลำเลิกถึงบุญกุศลที่ลูกชายได้สอนเอาไว้พอเห็นลูกชายก็นั่นแหละสำนึกได้พอจากตายจากนั้นก็ขึ้นไปสู่สวรรค์นะแต่ตำบางตําราก็ว่าท่านลงมาเกิดท่านได้สาเร็จเป็นพระหรหันต์นะแต่บางตําราก็ว่ายังยังอยู่อันนี้ก็เราก็ฟังฟังเอาไว้ว่านี่อันนี้ ค, คือความเป็นมาของความโกรธที่อุปมาอุปมาใ ห, ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนี่นคือความโกรธ กระความโกรธมันไม่ดีแต่ถึงยังไงก็ตามพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านตรัสไปเลยเลยว่าไม่มีอันไหนที่น่ากลัวยิ่งกว่ามิจฉาทิฐิฮะมิจฉาทิฏฐิยิ่งกว่าความโกรธความโลภความอย่างอื่นอีกมิจฉาทิฐิคือความหลงฮะความหลงความมัวเมามิจฉาทิฏฐิคือความมืดบอดไม่เชื่อว่าบาปุล บาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีตายแล้วศูญทำความดีก็ทำไปอย่างนั้นทำความชั่วก็ทำไปอย่างนั้นความดีความชั่วไม่มีผลอย่างนั้นล่ะเหมือนกับตาบอดเตะข ม, มิดก็ไม่เป็นไรลักษณะอย่างแต่พอเตะเข้าไปมันข ม, มิดมันไม่ได้เลือกกว่าตาบอดนะมันก็ชัดเลยล่ะเตะแรงทอะไรก็ยิ่งเข้าลึกไตาบอดมันจะ เดินไปไม่มีเหวมีบอ่อหรอกแต่พอต่อไปตาบอ่อก็ไปตกเหวตกบอ่อเหวบอ่อก็ไม่หลีกตาบอดเหมือนกันฮอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทําความชั่วกรรมของความชั่วนะั้นไม่หลีกเราเหมือนกันเมื่อตายไปแล้วนะี่มียังไงก็ต้องเป็นอย่างงั้นนรกสวรรค์มีจริงคอยรับเราอยู่ไม่มีเต็มก็แล้วกันคนทําชั่วนรกก็ไม่เต็ม เหมือนกับสัตว์ที่ตาฉานเห็นไหมไปเกิดเป็นประเภทไหนโลกนี้ไม่เต็มไปเต็มด้วยสัตว์ที่าฉนแต่บางเกิดบางยุคบางสมัยก็สัตว์ที่าฉานก็ยอมแพ้มนุษย์อีกเหมือนกันในยุคนี้สมัยนี้ถ้าเกิดเป็นเก้งเป็นกวางเป็นสัตว์มนุษย์ก็จับเป็นอาหารพวกปูพวกปลาในทะเลอย่างนี้ทำมนุษย์มาก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 เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ไม่เต็มอีกอแต่มันก็มากมากถึงขนาดไหนก็เถอะบางคนก็วิตกกังวลเหมือนกับไสเดือน เ, อเกิดมามากๆกินดินกลัวดินจะหมดก็เลยไม่กินดินฮอันนี้ก็เหมือนกันมนุษย์เกิดมาแล้วกลัวมันจะเต็มโลกล้นโลกผลในสุดก็จะฆ่ากันทิ้งอันนี้มนุษย์โง่แต่ตามไม่จริงธรรมชาติมันมีอยู่แล้ว พอเกิดมาหลายๆคนเห็นไหมสมัยก่อนเกิดมาตั้งแต่โบ ร, โบราณการถูกการกินเขาก็อดอดจากๆเพราะเหตุไรเพราะมันไ ม, ไม่มีหัวไม่ใช้หัววิไม่มีวิธีการกระทําถ้าเกิดขึ้นมาหลายคู่หลายคนใช้สติใช้ปัญญาใช้วิธีการพิกพลิกแพงอันนี้ผสมวันนั้นอันนั้นผสมวันนี้นเอาไปมาเป็นอาหารเลี้ยงคู่เลี้ยงคนได้คนที่ทําอาหารกับทาอาหารพวกที่ทำวันนี้ก็ทําต่างคนต่างทํา มันเขาเป็นไปได้นี่อันนี้คือโลกของเราทุกวันที่เกิดมาในโลกเนี่ยสรุปแล้วก็คือต้นตอที่ว่าอย่าทำความชั่วความบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงถ้าหาว่ามิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดแล้วนั่นลหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากพระพุทธเ จ, จา้าไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวยิ่งกว่ามิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดจุดนี้นะ เออมันเกียบลวกไปอีกแบบหนึง่งท่านว่าพวกนี้ตายไปแลป้วไปเกิดโลกันตะนาลกเอ่อโลกันตะนาลกอ่ไม่ใช่เอเวจีนะเอ่ทานทว่าทำความชั่วเสียหายอย่างพระเทวทัตุอย่าว่าตกในเอเวจีมหานรกมีไฟไหม้อ่อจากนั้นก็พ้นออกจากเอเวจีแต่โลกันตะนาลกเนี่ยพอไปเข้าไปแล้วไม่มีเลยไม่มี กำหนดกฎเกณฑ์แล้วว่าจะพ้นคือมาเมื่ อ, อไหรไม่มีกําหนดเออยู่ในอทีมอ่มืดมิด อ, อยู่ในที่คุมขังอัน ม, อมื ด, ม, ม, ดมิดเพราะมันมืดมิดปิดตาเล ย, ยว่ามมิด ช, ช่าทิฐิคำเยลยหลวงพ่อเลยเปรียบ เ, เ, เ, เทียบว่าอพวกมิดชาทิถิเนี่ยถ้าไปเกิดเหมือนกับไปเกิด นรกกระป๋องหลวงพ่อวานะกระป๋องบัตรกรีข้างบนเหมือนกับปลากระป๋องอยู่ข้างในวิญญาณเข้าไปอยู่นะบัตรกรีไม่รู้เดือ น, เ ด, อ น, เ, ดอนเดือนดาวไม่รู้อะไรอยู่ในนั้นอพอพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตัดรูุ้ขึ้นมาแสงสว่างก็ส่องลงไปครั้งหนึ่งแสงว่าปไปพวกสัตว์นรกทั้งที่จะเมตตาปรานีต่อกันเห็นกันและกัดกันอีกนะทะเลาะกันอีก เพราะมันเออมันอยู่ในมันความชั่วมันปิดบังเอาไ ว, อวา้อยู่แล้วมันมิจฉาทิฐิอยู่แล้วเนี่ยพระพุทธเจา้าพระริเนปานเอาแสงสว่างจ้าลงไปอีกนั่นแหละนานเท่าไหร่จึงจะมีพระพุทธเจ้าจะมาไม่ใช่เกิดมาทุกวันฮะอันนี้ท่านเปรียบเทียบให้ฟัง เ, เพราะนั้นว่ามิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดจุดนี้เนะี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าอย่างอื่นที่สุด คือความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูญจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเราต้องศึกษ า, กษาเราต้องศึกษาแล้วต้องเรียนรู้จากนั้นก็ปฏิบัติสิ่งไหนที่ไม่รู้มีในวิชาในโลกมีตั้งเยอะแยะอเราจะเป็นตาบอดอยู่ในโลกได้ยังไง แสงสว่างไม่มีประทิศพระจันทร์ไม่มีไม่มีนะคนตาบอดจะไปเห็นได้อย่างไงแต่คนตาดีมันก็ต้องรู้อันไหนเป็นอันไหนควรไม่ควรอย่างไรเพราะ น, นั้นพวกเราลูกหลานทั้งหลายนะเปิดตาเปิดหูเปิดใจศึกษาศึกษาให้ถี่ถ้วนศึกษาเรื่หลักเหตุผลศึกษาด้วยอักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าศีลทานมีหน้าที่อย่างไง ศีลสัมโรมกายวาจาอย่างไงสมาธิดูจิตใจอย่างไง ม, มีล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางทั้งนั้นถ้าพวกเราศึกษานะถ้าไม่ศึกษาก็ยังว่าตีรวบรัดเหมือนกับตาบอดพูดมั่วไปหมดเพราะนั้นพวกเราไม่ใช่ตาบอดนะตุกพวกเรามีพ่อแม่ครูบาอาจาร หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางของพวกเราได้ศึกษาอยู่พบนนั้นใน้ลูกหลานศึกษานะาศึกษาในธรรมคาสอนจากนั้นก็ประพฤติธปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วครับความสงบพร้มเย็นเป็นสุข ก, ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายไปอยู่นสถ า, านที่ใดอยู่นสถ า, านที่ใดไปนสถ า, านที่ใดอยู่กับใคราวางตัวให้ถูก เมื่อวางโต้ตัวถูกแล้วนะความสงบร้มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายอีกใช่ว่าพวกเรามีแต่คดมีแต่โกงมีแต่ทำความชั่วเสียหายที่มันจะเจริญรุ่งเรืองมองดูซิมันมีไหมโดยมากมันได้มา ก, กบแบบร้อนร้อนนะั่นแบบหาความสุขไม่ได้เราไม่ทำทำแบบเย็นเย็นไม่ได้เหรอือ ทำให้ดีๆเหมาะสมถูกต้องเป็นธรรมสิ่งไหนที่เป็นธรรมสิ่งไหนที่เป็นความถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง เ, อเราก็มันขยันทำตามเรื่องนั้นชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จะมีแต่ความผาสกเอาวันนี้ให้เปิด m อ็าฟังสักคันหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะ